กิเลสถาติกะหนึ่งเหตุตุทุกกะหนึ่งปฏิเจวาระปัจจะยะจตุกไนหกสิบสสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุหาใจสภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็ น, ป น, uncommon, ปนอารมณ์ของกิเลส Serbia, ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อหกสิบห้าเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณบุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่อขยายสหชาติวาระ และถึงสัมยุตตะวาระให้พิจารณเจปัญหาวาระปัจยะจตุคนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นห6สิสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจัจ สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุถูปัจจัยหกสิบเจ็ด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 ซึ่งเป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัยมีสองวาระย่อเจเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะนัสปัจใจมีหวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอานันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสสียป <c oughs> ัจจ <Your S 1> ัยมีสามวาระอุปาณิสเสียปัจจัยมีแปดวาระ อาเสวณะปัจใจมีสามวาระวิปากะปัจัยมีสองวาระอินทริยปัจัยมีสองวาระมัคคะปัจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจัยมีแปดวาระณอารมณปัจัยมีแปดวาระย่อณอารมณปัจัยกับเหตุปัจัยมีสามวาระย่อ อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเพิ่มขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุสละิดกะนะเหตุบทปัจยะจตุกนายเจ็ดสิเอ็ดสภาวะธรรมที่กิเลส ท, ทาให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลส ท, ทาให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 นอารมณปัจจัยมีห้าวาระนาะทิปติปัจจัยมีหกวาระนาะปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระละถึงนาะกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงนะวิปยุตปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเพื่อขยายสหชาตะวาระละถึงสัมยุตวาระให้พิสดาร 7. ปัญหาวาระ ปัจยะจตุกนาอาระมณปัจจัยและอธิปฏิปัจใจเจ็ดสห้าสภาวธรรมที่กิเลห์ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลห์ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่กิเลหไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลหไม่ทำให้เศร้าหมอง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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสมวาระย่ออารมณปัจจัยมีหวาระอธิปฏิปัจจัยมี8ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีแปดวาระอาเสวะนปจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีสี่วาระอาหาราปจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระชานะปจจัยมีเจดวาระมัคคะปจจัยมีเจดวาระสัมยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปจัยมีห้าวาระละถึง วิคตะปัจใจมีส3าวาระยอ่อนเหตุปัจใจมี14บวาระนะอารมณปัจใจมี1ิบสี่วาระยอ่อนะเหตุปัจใจกับอารมณปัจใจมีหกวาระยอ่ออารมณปัจใจกับนัเหตุปัจใจมีหกวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในปุสละติกะ วิตกะตึกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งปฏิจจาวาระปัจยะจตุกนัยเจสบปสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ79เหตุปัจจัยมีสามวาระรัมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนาอาเจวนาปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนสหชาตาวาระและสัมบยุตตะวาระ 7. ปัญหาวาระปัญญาเจตุกระในแปดสสภาวธรรมที่มีทังวีตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตกปัจจัยแปสบเอด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 เป็นปัจจ so ัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ม ah. ีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นเหตุโดยระมณะปัจจัย 82. สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุโดยธุตติปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุ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 ย่อปดสิบสี่เหตุปัจจัยมีสามวาระธรรมณปัจจัยมีหกวาระอัธปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยาปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวะปัจจัยมีห้าวาระ วิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระน่เหตุปัจจัยมีเก้าวาระนั่นอรมณะปัจจัยมี9ก้าวาระย่อนั่นอรมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายให้พิจาราเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะนัเหตุบท 1. ปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนาหิโตปัจจแปสบห้าสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัย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 สภาวะธรรมที a a. สส um. สส่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอรหมณปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอรมณปัจจัยมีสี่วาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเก้าสิบสามเหตุปัจจัยมีสามสิบเจ็ดวาระอารมะณปัจจัยมียี่สิบเอดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบสามวาระอนันตระปัจจัยมียี่สิเอดวาระสหชาตะปัจจัยมีสามสิบเจ็ดวาระ อัญญามัญญปัจจมียี่ส well, ิบดวาระนิจยะปัจใจมีสมสิบเจ็ดวาระอุปาณิสิยะปัจใจมียี่สิบเอดวาระปุเรชาตปัจัยมีสิบเอดวาระอาเสวนะปัจัยมีสิบเอดวาระรามะปัจใจมีสามสิบเจ็ดวาระวิปากะปัจใจมีสามสิบเจ็ดวาระหาหรปัจจมีสามสิบเจ็ดวาระอินทรียะปัจใจมีสามสิบเจ็ดวาระชานะปัจใจมีสมสิบเจ็ดวาระ มัคะปัจจัยมี37วาระสามปยุตตะปัจใจมีมี่สิดวาระวิปยุตตปัจจมยมี37วาระละถึงอวิคตปัจใจมีมสิ7วาระย่อณเหตุปัจใจมีสมสามวาระณอารณมาณปัจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจใจมีมี37เจ็ดวาระละถึงนปุเรชาตาปัจจัยมี37เวาระ นปัจฉาชาติปัจใจมีสมสิบเจ็ดวาระนาอาเศวนปัจจมีสมสิบเจ็ดวาระนกรมปัจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจมียี่สิบวาระนอาหารปัจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจัยมีหนึ่งวาระน้าจานปัจัยมีหนึ่งวาระนมคคปัจจมีสามสิบสามวาระละถึงนวิปยุตตปัจัยมีสิบอดวาระละถึง โนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระยอ่อณอารมณะปั จ, จัจขับเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่ออารมณะปัจจยจขบนเหตุปัจจัยมีสิบสี่วาระยอ่อพึ่งขยายสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตาวาระให้พิจารณเหตุบทเจ็ดปัญหาวาระปัจยะจตุคันอารมณะปัจจเก94สิบสี่ สภาวธรรมที nicht, mind, ่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซ well ึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุ โดยรรมณะปัจใจสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรรมณะปัจใจมีสี่วาระ 95. สห้าสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจัย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 และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรรมะปัจใจมีสี่วาระ๙๖สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัย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 เป็นปัจจัยแ่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแ่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแ่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรรมะปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยเก้าสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยธิปฏิปัจจัยมีเจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกไม่เพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ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 โดยนันทระปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสัยปัจจัยย่อร้อยหนึ่งอรมณะปัจจัยมียี่สิเอดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบสามวาระอนันตรปัจจัยมียี่สห้าวาระ สมนันตระปัจจัยมี25วาระสหชาตะปัจจัยมี30วาระอัญญมัญญปัจจัยมี28วาระนิสัยปัจจัยมี30วาระอุปาณิสัยปัจจัยมี25วาระปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยวนาปัจจัยมี21ดวาระกรรมปัจจัยมี11ดวาระวิปากะปัจจัยมี21วาระ อหะระปัจจัยมีสิบอดวาระอินทรียปัจจัยมีสิบอดวาระชานาะปัจใจมียี่สิบเอดวาระมะคคะปัจจัยมีสิบหวาระสัมยุตตะปัจจัยมีสิบเอดวาระวิปยุตตะปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระยอ่อนาเหตุ ป, ปัจใจมีสามสิบหวาระนาอารมณะปัจใจมีสามสิบห้าวาระ หน้าที่ปฏิปัจจัยมีสาสิบห้าวาระยอ่อนัเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระยอ่ออารามณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาร ะ, ย, ระย่อพึงขยันให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุสลติกะ